ทังหลายเรื่องประวัติศาสตร์พุศาสนาภาคอินเดียได้พูดจบไปแค่สุดท้ายเนื่อเดือนก่อนโน้นไปแล้วในวันนี้เราจะได้เริ่มเรื่องประวัติศาสตร์พุศาสนาในประเทศทิเบตต่อไปที่อาประเทศทิเบตมาเป็นลาดับของอินเดียก็เพาะว่าทิเบตกับอินเดียนั้นมีภูมิศาสตร์เขตแดนติดต่อใกล้คิดกันที่สุดตามคมนาคม เมื่อสมัยประมาณก่อนสงครามโลกครั้ง ท, ง, รงที่สองนั้นประเทศที่เบตเป็นประเทศที่เรียกกันว่าแผ่นดินแห่งความลี้ลับที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินแห่งความลี้ลับก็เพราะว่าภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อํานวยให้ที่ดวกเป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ของโลกภายนอกและยกตัวอย่างขึ้นว่าภูมิศาตสตร์พิเบตตั้งอยู่บนอยอดท่ภูเขาฮิมาลาย ที่ราบสูงที่ภูเขาทิมารายปราการที่ล้อมทิเบตให้ ข, ขาดจากความติดต่อกับโลกภายนอกก็คือเครือภูเขาทิมารายทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศจีนนั้นก็นมีที่ราบสูงและมีเครภูเขาใหญ่ๆสลับทับซ้อนกันหลายร้อยลูกภูเขาเหลา่านี้ไม่มีถนนสม้นทางที่จะตัดผ่านไปนอกจากการเดินทางต้องใช้โค ต, ต่างมา่ๆ แล้วก็ไตไปตามตึกเ ห, หนือเชื่อรหัสลำธารต้องให้เวลาเดินทางเป็นประมาณเดือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าประเทศสิเบตทางด้านประเทศจีนแล้วคือเข้าทางมณฑลเเฉิ น, นชุนของจีนแล้วจะต้องให้เวลาเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าสเดือนถึงจะถึงเมืองหลวงขสิเบตแต่ถ้าหากว่าเราใช้การเดินทางทางเส้นอินเดียคือเข้าทางประเทศสิเบตทางด้านอินเดียโดยเข้าทางแสนสิขิน ของอินเดียหรือถ้าทางประเทศในตามซึ่งเป็นประเทศเอกราชเล็กๆในเชิภูเขาอยู่มาลายก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่าสิวันสิบวันหรือสองาทิตย์นี่แหไม่ต่ากว่านี้แหละถึงจะเดินทางไปถึงได้เนืน่องจากภูมิประเทศแ ว, วดวงได้ภูเขาสูงและป่าใหญ่และการทลัดตันดานัรกล่าวมาที่เบสที่มีลักษณะให้คล้ายกับว่าถูกปัดขาดออกไปจากโลกภายนอกประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งประชาคนชาวทิเบตเองก็มีความมักน้อยไม่อยากจะขึงนสิ ง, สงเกี่ยวข้องกับประชาชาานาชาติต่างๆนอกไปกว่าชาติของตัวเองไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของโลกเพราะฉะนั้นทิเบตจึงมีชื่อว่าเป็นประเทศบนหลังคาโลกเพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลกอาหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่สูงสุดในโลกด้วยกวหมู่บ้านาตาเต๊ะ หมู่บ้านตาปอเนี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดเขาเยอะเลยไม่มีทางไหนจะสูงเท่าแล้วนี่พูดถึงว่าหมู่บ้านคนตั้งอยู่นะครับมันจะพูงถึงยอดสูงพูดถึงว่าบางคนที่ไปตั้งอยู่บนที่สูงนี่คือหมู่บ้านตาปอกในเขตประเทศทิเบตนี่แหละตั้งอยู่บนตือสูงปุดทางตะวันออกทิศางทิเดตนั้นเราแบ่งออกได้เป็นสองตอนหรือสามตอนบังคือสามตอนเยอะอย่างหยาบๆคือว่าตอนเหนือตอนตะวันออกกับตอนใต้ ตอนเหนือนั่นเป็นที่ราบสูงแต่ไม่ดุจอีมาส์อีมาสบกคุมอยู่ตลอดปีสี่สิบาตถ้าจะมีฤดูเดินทาง ก, ก็ตกฤดูลาวตกปีหนึ่งประมาณสักสองเดือนถพ้นสองเดือนนี้แล้วเป็นเดินทางไม่ได้พื้นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าสองหมื่นฟุตขึ้นไปบกคุมด้วยทะเลน้ำแข็งปกคุมอวดแล้วก็มองดูไปสารพิษไหนก็มีแต่ความว่าเหววิเว เห็นแต่ก้อนเน่เป็นปุย อ, อาสาศขมุดขมัวเยือกเย็นจับหัวใจบนโน้นเบื้องบนงมีสัตว์นิสิตเบื้องล่างมีงงสัตว์นิสานถ้าเราจะเดินทางก็ต้องเตรียมเตรียงกลางอาหารและ น, น้ํำอาวัตสาหรับจะเดินทางไปที่ระดบสูงอันนั้นที่ราบสูงอันนี้อยู่ทางตอนเหนือของทเวเปติดต่อกับเปอร์ียสถานเป็นที่ราบสูงใหญ่มากขึ้นมนุษย์จะจัดยากนักที่จะผ่านพ้นไปได้อาฟิานิภาคในตอนนี้ ก็มีประชาคนชาวทิเบตอยู่อย่างเบาบางสัมผัสโดยมากเป็นคนชาติเล่รอนอาศัยเรื่องตัดตัดตัดเรื่องทิเบตนั้นก็เรียกันว่าตัวจามารีข้าเป็นตัวผู้ห็เรยวตัวจามอนจามระถ้าเป็นตัวเมียก็เรียวดาตัวจามารีในภาษาบาลีนี่แหละความจริงตัวจามอนกับจามารีนี่ไม่ใช่อุกาเล็งหรอกคือควายทิเบตเองแหละควายอย่างควายบ้านเราแต่เป็นคนละพัน์กันควายทิเบต ใครว่าไม่มาถึงเนี่นนยขนจามารีถึงเดียวเของของสูงหายากล่ะขณะที่เอาขนขนหางของสัตจามารีนี้มาทําขึ้นกลุ่ของธระมาสัตว์และประเทศตะวันออกอย่างเราอินเดียวรวมทั้งประเทศไทยเราทั้งนี้ไม่ใช่อุ่นใจอิเบดนั้นความจริงก็คือประเทศนอกกาตาริมมานมพานนึงเอาว่าเพื่อใครมาลายทางด้านอินเดียเป็นป่าลินมพานนะลิมพาวันป่าคือลิมพานอันเดียวกัน ที่เด็กดูทัดผู้ขายที่มาลายออกไปเพราะฉะนั้นตามพัฒนน่าสัยของไทยตอกที่กที่เดกคือเมืองล่าฟ้าสาหริมภ า, านกับจามอ น, า น, นี่เป็นสัตอยู่ในป่าล่าฟ้าหริมพานสัหายากมากเพราะว่าทางโบราณเน่คนเรายากนักที่จะกันต า, าบุกผานดหิมภ า, านไปได้เพราะ น, นั้ น, มนไม่อมแต่ขงุงให้มันมาก็ว่า เป็นของหาได้ยากจริงมยยอมาถวายพระมหากษัตริย์เป็นขึ้นสูงในความเชื่อที่เด็กนั้นขนหางจามรีขนหางควายในบ้ า, านเราเองแต่ท้ายควายที่เด็ดนั้นที่ก็ควายบ้านหลาที่มันมีขนปุกซลีสมกับอุณหภูมิตามหนาวเย็นในประเทศนั้นธระมหามชา่าไจับตึงให้คายที่เด็กมีขนหนอกสุกปลีเต็นตัวมีรูปร่างีิกลนแต่ประหลาดลำสันตัวหน่อต่อกาลังขา ข็งรงสา ม, มารถยึดเกะาะไมะและแน่นและสา ม, มารถกดคนยึดเ ก, กะต ท, ทุประเทศละจีเบทจามอนและจามามรีกลายเป็นห้างตัดหรือไม่คือห้นมแต่ทูเรือไม่ห้น้ามันทีาหับเป็นไข่เกติดตะเกียงเมื่อตายไนแล้วหนังมันก็จีเบอาศัยทำเสื้อผ้าแบ่งกันความหนาวอาศัยหนันงมันทาเป็นผ้ากึ่งในเวลาเดนทางแต่ เ, เ, าาเนของมันก็มาทาเป็นเครื่องใช้ แล้วเป็นต่ที่มีคุณต่อชาวที่เดือนมากประชาชนชาวที่เดือดในภาคเหนเือโดยมากเป็นพวกเวล่เร่อนเอาใส่ตะเสียงถึงตามรีบางสึงจะดีหลายๆตัวบางสูงจะมีพันๆตัวแล้วก็มีแสมีพระประกอบมากเล่ร่อนไม่มีหลักฐานเป็นหลักฐานแน่นอนอะไรมีประชาชนเราบางมากอยู่ตามแถวๆท่ททมสุวรรณ อสิมากลงขึ้ยนยอดอสมากตกก็ต้องถอนต้นหนีแล้วหาทำเลหาทีกินกันใหม่แต่ไปมีชีวิตชีวังาการกังฟาติกระจกอย่างนี้ทางตะวันออกของสิโดที่ติดต่อกับประเทศจีนก็เป็นเขาสูงเขาปั้งอึน่ะกตลอดปีพิศชาพไม่เคยเห็นยอดเขาเลยถ้าอะไหลมอลงเป็นเมีองไม่หมอดหมอลงทุกวันเวลาเที่ยงันเนี่ยคนห่างกันยาง ม, มองไมเห็นหน้ากันแล้ว หมอกจับเหมือนกับมักดีเพราอากาศทางจุดองปันนาทางเชียงรุ้งไม่มีผิดหมอกลงทุกวันเลยยันไหนทําหมอกไม่ลงก็ไม่มีละเพราะที่ขาูงมากความกดดันอากาศต่หมอก็ลงมาเต็มหมดเันทากระจายการบดินทาิมีสายตามที่เขาหลายนิ้งต้องระวังตัวต้องมีเหล็กตะกรเหล็กจับไว้สาหรับต้องการยืนตัวไม่ให้ขาตกเตแล้วต้องตายไปตามเต๋นาตัวมาก ลึกมองหไปเนี่ยมองไม่เห็นหลักมุดหนึ่งเพรามระมอกจกับหนึเพราะนั้นธรรมชาติก็ช่วยอบอุ่นที่เดืกดตะไวด์ให้พ้นจากการลุกลามทั้งทางบ้านเหนือนะกับบ้านตะวันออกที่จุดกระจีมบ้านนี้คุณก็ร่อยแต่ว่ายังมีคนส่วนหนึ่งอาศัยอาชีพในการที่เดีอด ว, วับปลูกไปปลูต้นปูกชาปลูกชาต้องทาเลยล่ะชาที่เดือดก็งินชามาก วันวันหมึงการกินชา ข, างขางองเขาน่ะต่างกับของเราของลาใบชามาท่งจริงของเข้ า, าไอใบชาเพิ่งกับน้ำมันเนยจามารีกับมนมจามารีแล้วเขีย่ยเขี่ยจนุปแล้วะตักกิกนอย่าเราตัดกินสุปอย่างนี้แหละนี่การกินการกินน้ำชาพิเศกมีรสจื น, นเฉย ป, ปูเอิ่มอียมแล้วก็มันๆอ่าเพราะเหตุที่ว่าเป็ปปปเปในใสเนยใสเนยเพราะใบชาและเขีย่ยน้วน้ำทำน้ำเยอะเกลขอกัไปอีกที ถ้าอย่างเรากินก็อ้กทันทีเลยแต่องเขากินแล้วกินได้กินดนูเป็นอาหารเยอะเอาใจิตแน้วาีชาทานเมโามารีมีช่วชาวิเดตตว่าทำให้เกิดอุณหภูมิในตั ว, มมตวถ้าคุณไม่เขดหนาถ้าขาดเนยเนเครื่มัยมนยู่แ ล, แล้หรอกสู้ความหนาวไม่ได้ถ้าโปรตีนในตัวมีน้อยจะสู้ความเยียกเยนนั้นไม่ได้คนตะวันออกภัคนี้จะบาบาดย ม, มากเป็นพวกชาไขแต่เรคนุณร่างลำสันใหญ่ต สูงกวคนธรรมดาอย่างพวกสูงกว่คนไทยประมาณสองเ่าลูกหลาใหญ่โตมากมุนกระดงลูกหล า, ลลาแต่เป็นพวกผิวเหลืองนะอ่ะพอพอ า, าพวกนี้ด้วยพวกชนเผ่าคําตาพวกนี้โดยปกติแล้วคนดุดันโอดเชื่ยมอม่ยอมนะไทยศัตรูไม่งายคือนักเตะกู้อย่างชาติกกาตะกันเที่ยวเนี้ยเด็ชนผ่าคําตานี่พวกนี้ฉี่มากจนลักแก่ยี่สามขวดขวดมาเป็นแหล่อายุสามขวด อ่ะไม่ได้เก่งมากยิงปืนม่พวกนี้ผข้าขงตะวันออกภาคใต้ของี่เดดเป็นดินดดนอุดมสมบูรณ์อากาศโตออุ่นสบายพลเมืองก็คับขังประกอบด้วยภิประาติภิมาิากาศเฉียวฉุหน่าเบิกบานใจมีไร่ต้นสตอรอบรี่ไล่ต้นอัเปิไล่อาวุลไล่ตังโมแล้วก็มีไล่นาปลูกข้าวบาเร่ข้าวสาลีข้าวจาไม่มีขึ้นไม่ไดข้าจาต้งขเรื่อง ข้าเข้าไม่งอเลยเพราฉะนั้นชายที่เบล์น่ะถึงข้าวเจ้ามันก็ถึงทห็อาหารที่ข้าเจ้าเองที่พวกเรากินอะไรอยาคนรวยที่เบล์นั่นเองนะนะถึงมีปัญญาที่ข้าวเจ้ากินคนจนไม่มีปัญญาที่ขม่ได้แล้วนี้จึงแต่นั่นมันเนยจามารืข้าวบาร์เรข้าวสาลีคนรวยเท่านั้นที่มีปัญญาถึงข้าเจ้ากินได้บ้านเราข้าวเจ้าโกลกาแต่ที่เบล์เนี่ยข้าเจ้าหายยากอืมแล้วก็ยังเสด็จที่เบล์ด้วย่ะ ก็มีบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์เมียงเร้วที่เดือกกระตังที่นี่ศูนย์กลางทั้งศาสนาวัฒนธรรมประเทศนีอ้อยู่ที่นี่หมดมีหุ้นที่เดือกชื่อว่าลาสักลาสักถ้าเดินทางจากเไปอีกขินในอินเดียเข้าไปในลาสักอย่างเร็วต่ประมาณสิบวันถึงเดินทางเร็วประมาณสิบวันธรรมชาติสูงงามไม่เกินถัดจากไร่ไก็มีป่า ป่านี้ก็มีต้นกล้วไม้อุดมแล้วก็มีมมลงต่างๆมากมายต้นกล้วไม้บางอย่างโลกกล้วไม้ยังไม่รู no well ้จักชื่อมักแสวงหากล้วไม้มักเล่นกล้วไม้มีชื่อของลกต่งแต่แสวหากล้ยไม้ในป่าในเกที่เบกแลเป็นป่าที่คนไม่เคยไปบุกเดิสัตว์ในป่านี้เชื่องคนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเพราะคนในทาตะวัชาวิบตเป็นชาวพุที่คัดมากถึงศิงข้อตาณปีบาทขึ้นคัดด้เตเพราะฉะนั้น อ่าตัดตาชิงเชือกคนรถชายที่เดืดไม่มีอีสายชทยทำลายตาหรือว่ายิงศัพเล่นไม่มีเพราะฉะนั้นตาในที่เดืดไม่ใช่ไหมพันธุเป็นอย่างไรหรือีินาลักษณะลักษณะประภาพเดิมอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผมว่านหมายถึงก่อหน้าที่โกเรื่องเรื่างการเมืองนะก่อนหน้าที่เดืดทูกยึดครองนะมี่เลยทั้งทั้งหมดนี่ผู้ก่อหน้าที่เดืถูกฆ่าถูกยิดครองนั้นไม่ใช่เรื่องของการในปัจจุบันผู้นึงกองครามโลกคาังที่สองที่ยังนงอ่า าที่เดชี okay. ่ตาที <speaking> ่อุดมสมบูรณ์มากถ้าเราเข้าไปในตาที่เดแล้วก็ยึนตายึนใจเงกายเปงใจมารยเรื่อในที่เดชไมีมันหนายินงไนี้มันจะไกลัวยุงมย่งแ้ต่ตัวนุ่อยู่ไม่ได้หรอกสบายมากแต่ว่าในตาบางทีก็ไปเจอมนุษย์โบราณเรียว่าตัวยตคือมนุษย์สมัยหนึ่นปีขึ้นขึนนมนุษย์านอนลูกร่างใหญ่กว่ามนุษย์หน้าตาเหมือนคนแต่วีขนตุบตุยเป็นลิง แล้วก็สามารถใช้งครามไสามารถจิตใจถึงกว่าหาความร้อนได้ลีเนจิตใจเมื่อใดลืมเกลืัอไหวแต่ว่าเยมันไม่ได่าานี้เนี่มันไม่รู้จึงานอนคือในเรื่องนี่ยมันไม่รู้นอนมันรู้สกนี้เป็นมันรู้เรื่อ้านสียังปกค้างอยู่ในตาดิบของที่เด็กยั้มีใคไปจะเตือนทําล่งมันชาวที่เด็กนีรู้สึกนี่ว่าโยติพวกนี้สามารถอยู่บนที่สูงระดับสูงในเขตที่มากโดไม่อันตราย เพราะว่าธรรมชาติกับภูุงความต่อต้านให้สามารับอุณหภูมิควาหนาวได้อย่างสมูนอย่างดีครั้งประเทศพิเบกมีพลเมืองลาว้าล้านประเทศพิเบตใหญ่กว่ามืงไครประมาณเท่าตัวประมาณเท่าตัวแต่ละประเทศไทยสงประเทศรวมกันก็เกือบเกือบพิเบกแต่พลเมืงเพียงห้าล้านเนัเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพลเมึงเบาบาง แต่เนื้อที่ว่างใหญ่ไพศาลได้เกิมีพระเศียทั้งหมดประมาณแสนในจำนวนพันล้านห้ล้านมีค่าตั้งแสนทงนคิดดูติแล้วก็มีวัดประมาณสามพันกว่าวัดวัดในที่เบลดน่ะไม่มีวัดไหนในโลกใหญ่เท่ารวมทั้งวัดศาสนาต่างๆคริสต์ศสลายิวดุทพุกธิกรรวมแล้วสู่วัดที่เดลดได้วัดที่เด์จะเปวัดที่ยหญ่ที่สดในบรรดาวัดพัลานของศาสนาต่างๆ ไม่ใช่ชาตาิพุทธศาสนาศาสนาโชเเกอไม่มีวัดน้ยใหญ่ท่าลักเกอทำไมถึงถืออย่างนั้นในเมืองเหนือที่มีลาสามที่เดชคนละเมืองในเมืองหนือมีประชากรสามหมืคนเป็นพระใช่เท่าไหร่ท่า น, น, านรู้ไหมพระสองหมืนกว่าจำนวนพระมากกว่าคนละเมืองที่เป็นประชาชนจำนวนพระงหมื่นกี่อยู่กรงนี้ไงมีวัดใหญ่ๆหด้วยว่าเป็นหลักชายของประเทศ เทที่เหกว่าหลักไทยของประเทศอยู่สามวัดเด้วกันเรียกว่าวัดเทพุนวัดกำดันนะแล้วก็อีกวัดหนึงวัดศรระกสามวัดด้วยกันวัดเทพุนมีพระเนอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดพันกว่ารูปเฉพาะวัดนี้พระในอยู่แปดพันกว่ารูปถ้าเราคิดดูที่ว่ามีวัดในศาสนาไหนบ้างที่มีนักบวชอยู่มากอย่างนี้มีไมองดูกลๆก็เหมือนมีอยู่นี่เอง เพราะว่าย so so ัเป็นที่เดิมแต่ส้างอยู่ติดในชนงเขาแล้วก็แกะมื้เขาเป็นกุฏิเตี้ยแกะมืเขาเป็นกุฏินะแล้วก็สร้างกุติเป็นหลังๆๆงคอยกันขึ้ตไปมองดูแต่กลเขาท้าเมืองที่ม่มามองไกลๆเขาท้ายเมืงที่ยม่มาที่็นเราซึ่คนติกมาจากต้นไม้มาวางวว้กับเชิงเขากุกช่องมาสา่องกระตุ้นกุติเหน่ยมึงก็ช่องเวีนขึ้นมองไกลๆเหนือเหมอมองสล่างสุดหนูตา เมิ่มข้ดุสิขาวโพลนพาทูนขายขายโปลนหมดนี่วัดเทวพุทอยู่นอกเถตมูลาชะอยู่นอกเขตเทศบาลมูลราชแล้วก็ขัดจักวัดเทวพุทคือวัดศีรษะวัดศีรษะมีพระเนรรวมหมดห้าพันรูปวัดใหญรดับสองมีพระเนรห้าพันวัดใหญ่ระบับสามคือวัดจันดันมีผ้าเนรสามพันรูปไม่เคยมีรับหายใหญ่อย่างนี้เลยในโลกนี้ สามรัฐนี้รวมกันก็ตอบอเไรจะหมุ น, น, นวมมกว่าก็ป ส, สักหนึ่แล้วอย่างรัฐเล็กัฐน้อยจัปลายอีกอะเยอะๆอีกเะวหมดบุกึกมีสนงหมื่นเฉาะในเมืองหลวงนับข่าวก็สองหมื่นล้มากกว่ากรุงเทพธคบรรวมกันละมากกว่าจำนวนเข้มสมมนในกรุงเทพธนบรีรวมรวมกันละอ่แล้วก็จุดเด่นในเมืงลาวตอนนี้ก็คือว่าพระราชยันตระ อันเป็นที่ประทับของประมุขทางศาสนาและอาณาจักรของที่เดชซึ่งเรียกกันว่าสมเด็จองบาลามะประทับอยู่ที่นี่วังโตตระนี้เป็นพระราชวังสร้างาข่อม ข, ขูเขาท่านัา้นไม่มีวังไหนในโลกที่จะใหญ่โตปงะนามตามวังอยงนี้เลยเพราะวังต่างๆในโลกนี้ก็ดูมากสร้างบนที่ว่าสร้างอย่างวังหลวงที่เราก็สร้างบนที่ลาดูก็ไม่บนที่ยอดสูงสุดเพื่อความโอ้อาก็อยู่บนที่ราก็พืองง่อโอ้อามเชื่อชูไม่อนก สร้างบนที่ยอดสูงมก็ไม่ได้หรือว่ายันในยุโรปถึงไม่จะไปสร้างบนจะลอยภูเขาก็เป็นยังต์ลูกตุ้ดที่สงบนยอดเขาแต่นี่นะวันโีรตะล่านี่สร้างขุ้นภูเขาทั้งลูกเลยภูเขาหายใจวางึุนหมดแต่ว่าสร้างข้อภูเขาวางทั้งวางสร้างข้อภูเขาสูงสบสามชั้นเป็นตึกสูงสิบสามชั้นไม่มีเลแม้แต่ชิ้นหนึ่งต่ออีกคือปูนไม่หินนี่ัน ไม่มีเหล็กเลยไม่ได้ใช้เหล็กหรือไม่ได้ใช้กินเินแม้แต่ช้อนหนงไม่มีเลยต่อไอทิี่นี่มเป็นสุกสูงสุสามชั้นชั้นที่สิบสามเป็นพระอุโบสถใหญ่หลังคาพระอุโบสถมุงไปกรบืองทองคำกรบื้องทองคำนะม่งไปะเบงทองคานะไม่ใช่เหล็กนะกระเบื้องทองคเพืรแผนีกระเบื้องทองคหมดและเป็นยอดเป็นิลุกขามจักรเป็นลูกวาหมอกองข้างไม่ลูกธรรมจักรธรรมจักรนี่ประดับ เขามาจากเป็นทองคำประดับเพชรฉันจะรักนิ่เด่นที่ส át, ุดคนเดินทางที่จะมาบนราศาสตนี่แม่อยู่ในระยะของกันตั้งห้ากิโลก็เห็นแล้วเห็นหลังคาทอนคายางโกตาละระยิประยับข้างคลาวเป็นเพลิงตาอยู่ในข้างกางแสงอาทิตย์ในยามราตรีการแสงจันทร์จงจ่าก็มีแสงยิประยับของจีขายระดาษรเรรุ่งอยู่ในมารกบแต่ว่า ทั้งกงลางวันกลางคืนมองดูแล้วร่วนแต่เป็นที่ชวน ส, ร, สาารัทาภาษาพระความตูน่นเต้นความรุ่งใส่เนี่สัญลักษณ์กันเนียหลังคาทองคํ า, ท, าคที่ว่าขัดจากชั้นนี้ลงมามีลานกว้างลานกว้างที่ลานกว้างนี่มีพระสถูปตั้งอยู่ประมาณเก้าถึสิบองค์สิบอสิบสององค์เลยกันพระสถูปเนี่ยพระสถูปแต่ละองค์ก็สูงประมาณเส้นหนึ่งพระสถูปเหล่านี้พุ่มทงองคําอีก ทองคําที่หุบนั่นหน า, นาขนาดหนังช้างหุ้มทองคำประดับเพชร ท, อ, ทองสกุลเหล่านี้ว่าสร้างไว้ท่านเราทาอะไรเป็นที่บรรจุบรรจุพระศพราชการอลัยลามะ อ, องค์ก่อนๆที่ท่านสิ้นพระชนแล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในพระสกุลเหล่านี้สวย ง, งามเหลือเกินเป็นมือดีมหัศพันเพชรดินกินดาปอมดาบยาไปหมดก็น่นอ่ะ แล้วในวังโกตะระนี่มีพระพุทธรูปไม่ต่ำกว่าสองหม่นกว่าองค์องค์เล็กองคใหญ่ตั้งปดิสถานในบูชาตั้งสองหมื่นกว่าองค์เฉพาะที่เป็นพระทองคํามีไม่ต่ำกว่าพันกว่าองค์พระทองคํานะครับหน้าตักเจาะนึงบ้างสองคือ บ, บ้างองค์เล็กบ้างองคใหญ่บ้างขนาดใหญ่ก็สามจอกหน้าปักพระทองคําตั้งอาไว้บรรลัยบรยบรดาลามะองค์ก่อนๆบรรดาขะหะบดีขุนนางกษัตริย์อดีตกษัตริย์ผู้ใจบุญก่นกอนๆ อุทิศสร้างเอาไว้เป็นพุทธบูชาบกลงว่าไม่มีอะไรอาจารย์เท่าแล้วแล้วในวังปูตราสิบสามชั้นนี้มีห้องห้องเล็กห้องใหญ่ห้องพะโลงเล็กห้องพะโลงใหญ่ห้องส่วนตัวเล็กห้องส่วนส่วนตัวใหญ่รวมหมดสองพันกว่าห้องถ้าคนที่ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวแล้วรับรองหลงทางหาทางออกไม่ได้เลยสองพันกว่าห้องในวังนี้แม้แต่ผู้ที่เคยอยู่เองตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่ติดตันในวังนี้เองนะยังหลงทางเลยจัยตไปไม่ถูกเลย เพราะว่าไม่ได้เชื่อทะลุหมดทุกข้อหรือทุกบ้านของหวังนี่ความใหญ่โตของวังไม่มีทุนเรืงนี้คนที่ใช้ชีวิตในวังโตต่ละเองอะคือพระหนึ่งที่อยู่ในวัดนั่นเองก็ไม่ใช่ว่าทุกอู่ทุกองคท่านจะเชื่อทะลปูกบวงไว้ทุกข้อทุกแน่ทุกมือหลายเปล่าท่านก็มีิ้นข้าเป็นสิบสี่ขึ้นันสิบหนแต่สินั้นมันมีทุระก็ไม่ได้ตาอีกสิบหนึ่งกว่าจะไปก็แมอหางกันเป็นกิโลกิโลเลยท่านก็ไม่ได้เดินไถึงแบบเป็นจางกันเป็นกิโลกิโลในวังนั้นอะนี่ ในวังนี้เป็นที่ประทับของรัชกาลดลรายลามะองค์ก่อนๆวังนี้สร้างขึง้นโดยพระเจ้าสรางะสารคำโตกระสับกรบที่เบสในศตรวรรษที่สิบสองแต่แล้วก็มีดลรายลามะองค์ต่อๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารายลามะองค์ที่ห้าโดยทรงขยับขยายวังนี้ให้ใหญ่โตมโหรางดังที่ผมพัฒนามานี่แหละนี่องค์ที่ห้านขยายขยายในี่วังนี้เสียงสวมดมนต์ในวังนี้ไม่มีวินาทีหนึ่งที่ขาดเลยมีพระ มนุษย์ทำพิธีกรรมทำหน้าที่คนถัดัดรับสวดกันไม่ให้เสียงขาดวังนี้ตั้งแ ต, ต, ต่มีหลายๆล า, ล า, ม, ามาประทับอยู่เป็นเวลาประมาณสามร้อปีแล้วไม่เคยขาดเสียงสวดมนต์แม้วินาทีหนึ่งเลยแสงประทีปที่ตามบูชาเป็นผู้บูชาในพระมหาอุโบสถใหญ่นั้นไม่เคยดับเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งเพราะมีพระเจ้าหน้าทีเป็นคณะกรรมการคอยดูแลคอยโตมิมอยู่เสมอไม่ให้ขาดไม่ให้ดับนี่แสงประทีปในวังนี้จับไม่ได้ เสีงสุดมนในวังนี้จะขาดเสียงไม่ได้เป็นเป็นประเพณีแน่นอนในในมุงลาะอำเภนพุทธนณฑลที่ศักดิ์สิทธิ์ย่างยวดยิ่งของชาวพุทธในโลกนี้มันมีโรคไหนแล้ที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่าเหมือนกาบวังโกตะระนี้พระ า, าสมาชิกที่อยู่ในวังนี้ล้วนแต่เป็นผู้ถือธรรมจรันทน้์นั้นต้องอุปลับอยู่นั้นจะมีพระราชาคณะอยู่ในวังนี้ประมาณสองรอกว่ารูปท่นานสมหาเถระสองรอยกว่ารูป มีหน้าที่เป็นข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ, ๆอยู่ในนี้อ่านอกจากนี้รวมหมดท่านประเทศทิเบตก็มีวัดประมาณสามพันวัดอย่างที่ว่ามานะฮะบางวัดก็สร้างอย่างอัศจรรย์มากสร้างอยู่ในเ ก, กาะกลางทะเลสาบบางวัดพอเข้าฤดูหนาวทะเลสาบเป็นน้ําแข็งหมดปิดตากลกไคลนอกไปได้เพราะฉะนั้นแดดเดือนธรรมชาติช่วหตพระในวัดนี้น่ะท่านบันเทนผู้ดงกรรมฐ า, านในดีเหลือเกิน เป็นปฏิสันดีนะคือเป็นสมัยแห่งการหลีกเคลื่อนเป็นพิเศษธรรมชาติช่วยเองมันต้องมาดึนเกี่ยวโกลกภายนอกว่าหิมะมันช่วยกั้นทางอไว้หมดจะออกก็ไม่ได้คนก็มองจะมาก็ไม่ได้หิมะมันกั้นไว้ระยะแปดเดือนนี้ก็ต้องตักกินอาหารไว้พอสำหรับขบฉันไวตลอดแล้ระยะนี้เป็นระยะที่จะทำกรรมฐานหรือทำกิจพิเศษในส่วนตัวบุคคลได้ในระยะนี้พอฤดูดร้อหิมะละลายแล้วก็ออกเดินทางจาริกอะไรไปตามเรื่องไหวเป็นบุญจาริกสังเวชลยศาในอินเดียบ้างอะไรบ้าง ก็แล้วแต่นี่อาประเทศทิเบตนั้นเป็นประเทศที่มีการปกครองแปลประหลาดที่สุดในโลกคือภาะเรัฐบาลภาะเรัฐบาลคณะเสืนี่เป็นผู้ปกครองผู้เป็นประมุขของรัฐนั้นคือซึ่งเป็นพรสังฆราชซึ่งทำหน้าที่ทั้งสังพราชาและอ่าพระราชาธิปดีมาแต่ในตัวเป็นประมุขสูงสุดได้มีการตั้งตั้ง สภาที่ปรึกษาแผ่นดินสูงสุดแห่งชาติมีพระปัจจานอาวาสสามวัดนี้เป็นประธานกรรมติการเจ้าอาวาสแห่งวัดเตยปุ่มเจ้าอาวาสแห่งวัดศิระเจ้าอาวาสแห่งวัดกันดันสามวัดนี้เป็นผู้บริหารที่ปรึกษาขององค์ไราลามะประมุขขององค์ไราลามะแปลว่าลามะแปลว่าทางอาจารย์ ทะเลทะา ล, ะลคำนี้ว่าออกเสียงเป็นชุ่กจตัวไทยว่ออกเป็นดอนะวัดด อ, อ่าทลายนี่มันจะคําว่าทะเลในภาษาไายแปลว่าทะเลนี่แหละคํานี้ตรงกับคําไทยเพราะไทยเราก็มีชาติมงนกลอยู่เหมือนกันทิเบตก็มุนกุลอยเพราะนั้นภาษาโบราณก็คงกันแปลว่ากว้างขวางเพราะนั้นถ้าจะว่าตามศับแล้วพูดกันยัางศับท์ไทยๆนะก็ดูกว่าพระสมุทรสมุนีพระสมุทรสมุนีเรียกกันยังไงกัน เพว่าทะเลทะเลคือทะเลคือสมุทรกว้งางขวางลามะคืออาจารย์วิบูณีนะอ่ะลายลามะก็แปลว่าพระอาจารย์ทู่มีคุณมสมบัติกว้างขวางเหมือนหนึ่งเครืองมหาสมุทรนี่ลายลามะแปลอย่างนี้ก็แปลง่ายพระสมุทรมณีก็บมเรื่องนี่อย่างนี้นี่จะแปลพระสมุรทรธราจารย์ก็ได้สมเด็จสมเด็จสมุรทรธราจารสมเด็จพระสมุรทรธราจานี่พระฐมุตรีมีอยู่สีก่กระทรวง คณะเสนาบดีด้วยว่ามีอยู่สีกระทรวงด้วยกันในจำนวนรัฐมนตรีสี่กระทรวงนี้เป็นพระเส้นหนึ่งกระทรวงในครือข่ายเส้นสามพระว่าหน้าที่กระทรวงศึกษาการยุติธรรมในพระเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการยุติธรรมมหาไทยการคางกระลาโหมเป็นเรื่องคารวะพระไม่เกี่ยวแต่ว่าการศึกษาการยุติธรรมแล้วก็เป็นพระมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนี้ควบคุมการศึกษาของชาติในมือพระกด สภาผู้แทนราษฎรนีร่ว่าสภาแห่งชาติสภาสูงสุด ข, ของชาติชาติเรียกกัว่าสภาสองลูลเราพูษาที่เบตดนี่ว่าสภาก่องลูสภานี้มีสมาชิกสามร้อกว่าสามร้อกว่าคนเป็นพระมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่จงจะพระสองร้อยกว่าแล้วนอกนั้นก็เป็นคณะผาที่เป็นขุนนางสืบสกุลเป็นขุนนางสุสกุลต่อๆกันมา พระสองร้อยจาเนี่มาจากไหนเป็นพระชันเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆทั่วประเทศมีสิทธิที่จะออกเสียงที่จะคัดค้านนโยบายรัฐบาลได้หมดสองร้อกว่าเนี่ยเราะนั้นลักษณะการปกครองที่เบ็ก็คือปกครองรัฐบาลที่เป็นพระเพื่อพระโดยปะ <c oughs> เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นลัทธิแปลกประหลาดที่สุดในโลกเลยลัทธินี่เนีต่ตอนนี้มีปัญหาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตำแหน่งอะไรลามะเนี่ยมีการสืบสันตติวงศ์ไหมมีเหมือนกัน แต่เนื่องจากละลายลามะท่านถือภมจันทร์คือเป็นพิสุในพุทธศาสนาจะไปมีลูกมีเมียออกล่สามบูตราชฉลรถไม่ได้เพราะฉะนั้นการสืบสมนตติวงศ์จะทําอย่างไรเล่าสืบสันตติวงโดยวิธีนี้องค์เก่าตายตายวิญ ญ, ญาณองค์เก่ามาเกิดใหม่และวให้รัฐบาลไปตามหาเด็กเกิดใหม่ซึ่ง็นวิญ ญ, ญาณองค์เก่ามาเกิดนี่แหละมาเป็นพระลายชาธิปดีต่อไปใหม่วิธีนี้ภาษาทพิเศษด้วยกว่าพิเภหันถ้าจะแปลอย่างไทยๆก็เรียกว่าพระเด็กยอวตาร อาวตารออกมาอีกถึงแม้ส่วนแก่สิ้นผลาญสวรรคตลงแต่ตท่านก็ไม่ทอดทิ้งศาสนาไม่ทอดทิ้งประเทศชาติทําอธิษฐานไว้ก่อนหน้าที่จะดับจิตว่าตายแล้วก็ขอให้วิญญาณท่านมาปฏิสทมพันธ์ใหม่มาประเทศสิเบตเพื่อที่จะมาโปรดสัตว์ปกครองราชดลต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของขม악พุชิมิตรราชการจะตามหาเด็ ก, กศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้กลับมาถวิราชเป็นพระราชาและเป็นสังฆราชาต่อไป วิธีการติดตามนะ่สจะไมได้วยความศักดิ์ติดอย่างยิ่งผมจะเล่าหรื่องวิธีการติดตามบารายลามะองค์ปัจจุบันบารายลามะองค์ปัจจุบันที่รีภัยมาอยู่อินเดียนั้นเป็นบารายลามะองค์รัชกาลที่สิบสี่ก่อนหน้านั้นเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้วบารายลามะรัชกาลที่สิบสามข่้นสิ้นพระชนลงขั้นสิ้นพระชนลงในอิริยาบถเข้าสมาธิเมื่อสิ้นพระชนแล้ว คณะผู้สม็จราชการซึ่งมีประธานสงฆ์ตำแหน่งเสด็จพระราชาคณะท่าจะเทียบกับคล้ายตำแหน่งเสด็จพระวรนรรดของเราอย่างนี้เป็นชั้นจ้าคณะใหญ่ของเขาเป็นผู้บุกแายพาระเหนกันปกครองเสดราชการแผ่นดินใ น, นระหว่างที่ดารลามะว่างลงท่านผู้นี้ได้ทําพิธีอธิษฐานอธิษฐานว่าถ้าดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ขององค์ดาราลามะจะไปถึงือปฏิสุทธิที่ในทิศทางใดขอให้ปรากฏนิมิต ปรากฏว่าเมื่อท่านดับไปแล้วดับคันไปแล้วทางคณะเจ้าหน้าที่ที่คนแต่งศพแต่งข้าศพได้จัดข้าศพท่านให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันตกเอ๊แต่วันรุ่งขึ้นกลับมาดูใหม่พระพักท่านเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปเองนะเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประหลาดมากแล้วในระหว่างที่ผู้สมเด็จ ร, ราชการถึงนดินทำพิธีอธิษฐานนั้นปรากฏว่ามีรุ่งห้าสีพุ่งขึ้นทางทิศนั้น ทั้งที่ตะวันออกเียงเหลุงห้าสีพลาดไปในทางทิศนั้นขนหลวงก็ต้องจบละจบเหตุการณ์อันประหลาดในมิตรอันนี้เอาไว้บอกว่ามีลุงห้าสีขึ้นขึ้นทางทิศตะวันออกเียงเหนือพระพักขององค์ไเรลาะพินไปเองทางทิศตะวันออกเียงเหนือคาดการณ์เสียงเกิดโนว่าท่านจะไปเกิดทางทิศนั้นแหละว่างอ่ะเพียงแค่นี้ยังไม่พอภูสิเด็จจะต้องบังเทนวัตถบทที่สําคัญอันหนึ่งคือไปนั่งกรรมฐานเพื่ออาโปกสิม นีน่ทะเลสาบสกกิดหันหนุงในถ้ำภูเขาถ้ำกลางภูเขาห่มะทะเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบักิดมากทาำเป็นอโปกระสิงเพ่งดูขอมิมิตดในกระสิงนั้นว่าถ้าอุณหภลาม่าจะเป็นปฏิสนพิธในตําบลใดบ้างใดขอให้ปรากฏบ้างเมึงมันในโอาโปอันนี้ท่านเพ่งอยู่ตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วก็ปรากฏมีนิดออขึ้นในน้ำเป็นวัดหลังคาทองสามชั้น ข้างๆวัดนั้นเป็นภูเขาถัดจากภูเขามีบ้านชาวนาอยู่บ้านหนึ่งที่หน้าบ้านมีต้นหลี่ขึ้นอยู่เป็นพุ่มเห็นไหมเราไม่ก่อภาพนั้นหายไปคือสาเด็จ ก, ก็จบเหตุการณ์เป็นหลักฐานเอาไว้ท่านหนึ่งก่อนต่อมาตัว ท, ทันทีอันเชิญอันเชิญพระทิเบตเทวาสีราชคข้าพระสยามาเทวาสีราของเราเนี่ยมาประทับทรง มาพะวัตรงในในล่างของคนทรงที่เป the ็นพระคือจะมาถามไถ่ในดวงญญาณขององค์ลาลายลามะว่าไปอยู่ที่ไหนคนทรงได้กว้างข้าเหลืองผืนหนึ่งไปทางที่ตอนออกเฉียงเหนือกว้างไปทางทิศนั้นไม่คว้างทางทิศอื่นกว้างไปทางทิศนั้นที่ประชุมก็จดบันทึกเทสกานอีกเป็นอันตกลงแน่ว่าเทสกานสิงห์ว่าร่างที่ปรากฏที่สุดมาเนี่ยแสดงว่าวิญญาณขององค์ลายลายลามะได้ไปถึงปฏิสุนที่ในที่ตอนออกเฉียงเหนือแล้ว จะอยู่จังหวัดใดเมืองใดไม่รู้ต้องส่งคณะกรรม ก, การออกไปติดตามไปสอบสวนดูจึงได้ตั้งคณะกรรม ก, การขึ้นหลายชุดเดินทางไปสอบสวนดูเพือ่อจดูว่าบ้างไหมเมืองใดมีเด็กที่เกิดวันเดียวกับที่บารารามะตายวันเดียวกันนะอวันเดียวกันแบมีเด็กเกิดเด็กผู้ชาเกิดบ้างไหน บ, นบ้างในวันที่องค์บารารามะสิ้นพระชนมรวบรวบมาหมดให้ไปสอบสวนดู คณะกรรมการติดตามไปสอบสวนถึงสามปีเต็มไม่ได้ความกลับมาเลยจนกระทั่งข้อใจเต็มทีแล้วหาไม่พบวันหนึ่งคณะกรรมการชุดหนึ่งไปไกลจนข้ามเขตทิเบตเข้าไปในแดนจีนระหว่างแดนต่อแดนข้ามเขตเข้าไปนิดหน่อยกําลังจะท้อใจว่าถ้าไม่พบและอีกสองสามวันจะกลับที่เบตละวยินวันนั้นเองคณะกรรมการได้เดินทางเพอพ้นจากทิวทัศน์สูงมาทิวทัศน์ต่ำตบพบภาพลังคาพองสามชั้นในวัดวัดหนึ่ง แล้วข้างวัดนี้ก็มีภูเขาข้างภูเขาก็มีบ้านชาวนาหน้าบ้านชาวนาก็มีต้นลิ้วขึ้นเป็นพุ่มตกใจกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามภาพมิมิตที่คุณชินเดตก็มั่งเครืงอาโูกสินในทะเลสาบบันทึกมาเพราะนั้นหัวหน้าลามะที่ไปในขบวนนี้ต้อลอมตัวทีเดียวปลอมตัวเป็นคนรับใช้ให้คนรับใช้ปลอมตัวเป็นหัวหน้าแล้วก็ซ่อนทําเป็นตัวหนึ่งว่าเป็นคนเดินทางค้าขาย มาขอนามขอผ้าบ้านชาวนานี่กินทําบ้านชาวนานี่ก็มารุกประตูต้อนรับพอมาขอน้ําขอผ่ากินมันทํามันนั่มีเด็กคนหนึ่งอายุสามขวบเด็กผู้ชายหน้าตาอมอานผุดผ่องสงามากวิ่งตรงรีเข้ามาจากข้ายครัวแล้วมาเกาะชายเสื้อของลามาที่ปลอมตัวรามาในรุ่นพระนะแต่ว่าเอาเสื้อคาริัตต์มทับซาหนอ่อปลอมตัวเกาะแล้วก็ เรียกท่นานเรกออกาสราลามะเสลาลามะเรียออกเสียงว่าลามะวัดเสลาลามะวัดเสราท่านตกใจเลยถ้ามเด็กคุณไม่รู้ท่านเป็พระวัดเสลาวัดเสลาห่างจากที่นี่เนี่ยระยะทางเดินทางถึงสามเดือนในที่เด็กโทรเลข ก, ก็ไม่มีหนัง ก, น ก, น ก, ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีรถเดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้ามันเกิดตะลุ้นได้ยังไงเวลาเป็นพระวัดเสราถ้ามีโทรเลขโทรศัพท์จะได้มีสายลัดติดต่อกับส่งขาวมาให้ทราบไม่มีเลยเดินทางบุกบ่า ข้ามทะเลทรายมาข้าผาเขามาถึงสามเดือนมาถึงเขตพ้นแันทิเบตแล้วตอนนี้เด็กคนนี้มันเกาะไทยเสือ้อบอรเซรารามะเซรารามะท่านก็หมายใจไว้ว่ะอืมตะหลาดเด็กตะหลาดแล้วคิดสังเกตแล้วเด็กคนนี้คิดธรรมดาละแต่ยังไม่แน่าจยันรุ่งขึ้นท่านก็สแสดงฐานะากับครอบครัวนั่นทีเดียวว่าท่านไม่ใช่ใครท่านเป็นผู้ของนักสการิเบตตอ้องมาสืบสวนกุมารศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ลูก ลูกของท่านเนี่ยอยู่ในข่ายแห่งความสงสัยว่าจะเป็นกุมารศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นคอยทด ส, บสอบซะก่อนได้ไหมพ่อแม่ก็ยินดีจะทดสอบก็ทดสอบยินดีไม่เป็นไรลามะองค์นี้ก็เอาเครื่องเครื่องใช้ขององค์ที่สิบสามที่ท่านล่วงรับไปเบ่เงเต็มคนของคนอื่นครับใายว่าในแข่งวางไว้ให้เด็กหยิบเด็กคนนี้ตรงไปหยิบลูกประคขององค์วัลายลามะองค์ที่ล่วงรับเอามาค้องคอตัวเองเด็กสามขวนี่แะครับ เจ้าหลวงสงครามาคล้องคอตัวเองแล้วก็หยิบไม่ท้าไม่ท้ามีเจ้าหกเจ็ดอันไม่หยิบหยิบเฉพาะอันนั้นอันที่เราลามาองค์ก่อนใช่มาถูแล้วก็หยิบกลางสะ دان ฉันแบบีเหลี่ยมหัดเล็กมาตีเท่า น, นี้ลามะที่มาด้วยในขบวนพูดต้มกราบเลยกราบไปคนนี้เลยบิ้นเตมกราบทำจาม ร, รวมเริงๆจนศูญแปลว่าจามคารกอย่างสูงสุดกรา บ, รบด้วยวันวางขปด อกท้องสกพื้นหน้าพากกกระท้องสุดพื้นเลยขึ้นต้องนอนกราบเลยวันนี้เนี่ยเออเลล้ละบ้มาเกิดแล้วองค์เนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วเป็นแม่แล้วไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะก็ทำทีทีอันเชิงอันเชิงดุนันศักดิ์ศรีทั้งพ่อทั้งแม่ถอนครัวเดินทางมาหมดพ่อแม่ก็ดีใจสหลูเราอยู่ดีๆก็ว่ารถมาโก้เป็นบ้านชาวมาแล้วก็อยู่ดีๆก็ว่ารถมาเป็นเป็นสังขลดเลยเป็นที่จะเห็นีเมือใครจะไม่ดีใจ่ ไม่มีใครในโลกทิดเป็นเพีงพระราชากับเป็นทพีงสังฆราชปในตัวไม่มีจศตษฐียศเศรตฐีสัจเศรษฐีุณสูงสุดหมดนี่ใจก็ตามมาผอนครัวเลยตามเดินทางมารอนแรงมาถึงหนึ่งลาสักสามเดือนมาถึงระยะอีกลอ้อยไม่าะถึงหนึ่งหลวงผู้ช่วยราชการแผ่นดินประชาชนคณะสงฆ์เข้าขาบวนแห่มาแปรงรับในกลางทางแล้วก็เอาขลุงย่มเด็กคนนี้ยังไม่ทันระเบิดเลยนะขนะ่มซะก่อนถ้าถึงระเบิดไปแล้วราชา ก, ก่อน ท่าจะว่าไปแล้วก็เลยบอกบุตรจะมาล่ะผมในในแล้วก็พิแแ ห, แหนเลยเป็นกุมารศักติขึ้นเลยเมืตอนเดินทางมาถึงลาสานอายุสี่ขวบแล้วพอกินเวลาเดินทางทั้งไปทั้งกลับหกหกเดือนนี่คนไปสึกกว่าหกเดือนคนมากกวหกเดือนรวมหมดก็ข้าวย่างข้าวสี่ขวบถ้าวิธีขึ้นโอรโหอยจะสมบัติท้ามกลางคณะสงฆ์ประชาชนและทูตต่างประเทศมีทูตอินเดียตรงทรงอินเดียพูดในปานทูตจีนที่อยู่ในลาสานในเวลานั้นน่ะ เป็นสักขีพยานเด็กอยุสี่ขบนี่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ผิดพลาดเลยกระบวดพิธีกรรยัยงไงต้องสวมพระมหามงกุฎจะทํำยังไงทำเงี้ยไม่ผิดพลาดเลยประลาดมากไม่มีร้องห้าร้องไงไม่มีเลยร้องหิ้วเอ ไ, ไม่มีเลยนั่งนิ่งขึงขึงตอนไห น, นต้องว่าคาถาไงก็ว่าเป็นมีผู้สเสด็จคอยสอนที่ว่าก็ว่าเป็นตอนที่คณะสงฆ์ถวายธรรมจักรก็ถวายลูพกพระเจดียเป็นเครื่องหมายของว่าเป็นผู้นําทางศาสนาเป็นผู้นํา ของโลกท่านก็รับมาแล้วก็ให้พรเวลาให้พรเ น, นี่ยถ้าเป็นพระผู้ใหญ่มารับพรเอามือแตะทิศาให้ปมพระผู้ใหญ่จะปมที่ศาหานะแล้วลายลามะก็เอามือนี่ประสานพรแตะกางกระหม่อมกล่าวเป็นคำประสานพรแต่ถ้าไม่ใช่พระผู้ใหญ่จนนึงควรท่านสามัญมาท่านก็ใช้ไม้ไม้สักติดอันหนึ่งแตะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ไม่แตะคือท่านกับผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ เมื่อเป็นเด็กนี่พออาอยุครบเจ็ดขวบจากการนี่บรรชาเป็นเนมบทอีกทีนึงในชาติใหม่บวเป็นเนมแล้วก็ต้องผ่านการอบรมศึกษาเหมือนอย่างกระพระสามัญทุกอย่างบ้องสอบลยริยธทุกประนกาประโยชทุกอย่างเล ย, รยนระสุด ข, ข้ามัานเ้าหรอแต่ว่าเปียที่ามาเป็นปริเดนกาประโยชนเป็นประเด็ชั้นเอกเข้าอะประเนเอกของเ ข, า, งขาน่ะใช้วเวลาเรียนยีสปีจบนะยี่สิบของเราเนาะ ผมเข้ามาขนาดด้าสอบไล่ทุกปีเรื่องครบหลักสูตรแล้วต้องยี่สเอ็ดปีเต็มๆถึงจะจบ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายเดีย๋ยวไปดูถูกข้าพีเ่เบตไม่ได้นะความรู้ไม่ใช่เรื่อเดียวแล้วเวลาสอบนี่ไม่ใช่สอบบิดข้อขิงสอบปากกาเมื่อไรสมัยสอบกระแต่สอบปากกาอ้างพวกคัมพี่ลุงตาต้องท่องจังในคุมหมดแล้วก็ไปว่าปาก่าให้คณะกรรมการฟังไม่ใช่ง่ายนี่หลายๆรามะเขต้องเรียนแบบนี้พออายุ ค, คออรบอุปสมบทก็บวชบวชเป็นพระถูก ต, ต้องตามวินัยธรรมทุกอย่าง มีอุปชาอาจารย์ทุกอย่างหมดนี่อาจารย์ท่านก็ติดตามท่านมาด้ในอินเดียองหมาเนี่ยองนี้แหละองค์ปัจจุบันนี่แหละอาจารย์ท่านอายุแปสบกว่าแล้วตามมาด้วยตามมานี้ภายตามมาท่านมาในอินเดียด้วยเป็นนักบวชที่มีความรู้ดีที่สุดใินเดีตามมาเนี่ยูดถึงว่า ก, การปกครองในอิบเบียเป็นอย่างนี้ระบบอาวตารนี่ตายแล้วเกิดใหม่และปกครองประเทชากศาสนาชายคือเบิดเลียร์ละลายลามะของเขาว่าเอ็ง อ่ากยันโตริมโตเชร์เรีกกยังโตริมโปเชร์คำว่าริมโตเชรนี่ยังไม่ใช่เรื่้องพระมีสมณะศักดสูงแล้วก็เป็นตําแหน่งอวตารถึงจะไปเียติยศว่าเป็นริมโปเชร์ถ้าเราเจอรามาธิบดีองค์ไหยลงเท้าว่าริมโปเชร์เราก็รู้แล้วเป็นพระชั้นอวตารคือพระชั้นอวตารในที่เบิดมีเ ป, เป็นพันๆที่ถือว่าเป็นพระธรรมชินจั บ, บ้างพระอริยบุคคลบ้บบาง ตายล้มาเกิดใหม่เพื่อจะปกครองโลกศาสนาเนี่ยมีตุ้มพันๆพระพันธๆองค์เหล่ า, น, น, น, ญญานี้ตายแล้วก็ต้องเที่ยวตามพระวรวิญญาณอย่างล่านี่แหละแต่มีพิธีกรรมย่อขวนลงมาจากองค์ลามาองค์ลามาอําเป็นประมุขของรัฐพิธีกรรมก็ใหญ่โตแต่ถ้าพระทัานเจ้าอาวาสที่ท่านอธิษฐานตายแล้วปมาเกิดใหม่มาปกครเจ้าอาวาสอีกอย่างเนี้ก็มีพิธีกรรมแย่ขวนน้อยลงมาแต่ก็ค้าทึกันมีการเลือกเด็ ก, กศักดิ์สิทธิ์มาเสียงค้ายเข้าของแล้วก็เลือกตั้นมาเป็นเป็นอย่างนี้ ตำแหน่งอาวต า, านชั้นเจ้าอาวาสใิเบตมีพันกว่ารูปพันกว่ารูปอแล้วก็พระทิเบตน่ะที่ผมว่าเนี่ยการศึกษาใช้เวลาตั้ง 20-30 ป, ปีการศึกษาเนี่ยคำพีที่ใช้หลักในการศึกษาก็มีอภิธรรมโกสโูสะต้อนศึกษาอภิธรรมอภิธรรมกูะแล้วก็คำพีปรัชวิทยาหรือปุกวิทยาเป็นนักอภิปรายนักปวารีต้องเรียนเลนื่อนี้แล้วก็คำพีอภิสมยะลังการะ คำพีปรัชญาตรมิตาคำพีมัทธยามิตอ hmm. ต้องห้าคำพีนี้ต้องเรียนด้วยปุกโปวงเป็นหลักสูตรตายตัวเป็นหลักสูตรบังคับต้อท่องจันทร์มีลูกแก้วป า, ากเล่าวได้หมดทั้งห้าคำพีถ้าป า, ากเปลาไม่ได้รับรองสอบตกไม่ผ่านปริญญาเอกไปได้ต้องาปากเปล่าวได้หมดท่องจําทร์ในภูมหมดแล้วห้าคำพีนี่ย ไ, ไ, ไม่ใช่ของเล่ยไม่ใช่ของก๋วยก๋วยแต่นั่นแหละพระที่มีความรู้สูงในที่เบสก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับโดยมากเพวกที่ว่าอยู่ในเมืองหลวง แล้วก็อยู่ในวัดใหญ่ๆที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างจะอุดมหน่อยก็มีเวลาศึกษาเ่าเรียนตามจนมาบมดไปก็ภาก็ไม่ค่มีความรู้โดยมากก็เป็นภาคที่ศีกกลางก็ได้มากแต่ภาคพยาศาประเทศลวงพ่อขังเยอะในทิเบตประเภทนี้มีเยอะทีเดียวพวกขังๆเนี่ยถ้าอทธิิเตเนี่ยมีพระเครื่องรางของขังค้าๆอะเรอีกเหตะเหมือนกันเตี้ยเลเชจวาไปแล้วค้ายๆกันแหละทำน้ำหมุกน้ํานต์บั้งไหลผีได้สางบ้างเจ้าจ้าเข้าหนีบ้างประเภทนี้ลงเละลงยัาบั้งมีมากมายประเทศนี้มีมากมายแล้วก็ ชาวคูเบ ท, ที่เขาเล่นขับในศาสนาเน่คลอนขัถึงที่ไหนเมืองที่เมืองลาซาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดัดแรกที่พุทธศาสนาเข้ามาในคูเบตแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นชื่อว่าวัดโจกังวัดโจกังในวัดนี้มีพระพิตรูปปางกระสูตรตระกูสุตถาปางกระสูตรขะหัดหนึ่งชี้ฟ้าหัดหนึ่งชี้ดินเนี่ยปางนี้เป็นพระพิตรูปองแรกที่เข้ามาในคเบตตึงถึ ง, ถง ست? กันว่าศักดิวัชรเนี่ย<ก><น> ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนตลอดรุ่งเลยมีคนมาเดินประทักสิงไม่หยุดสวดมนต์พุ่งคุมงพุ่เดินมาทักสิงอยู่นั่นอ่ะมึงไปกูมากูไปมึงมาผัดหน้าผัดติงหน้ากันมาสวดมนต์นี่มันมไม่มันม่ขาตอนเลวัดนี่วัดจกูกันเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ดักดังยวกิ่งที่สุดเชา้าต่างเมืองตั้งเชา้าชนบทคนเดินทางพอเดินทางเข้าเขตลาวจับมองเห็นยอดหลังคาทองแหย่อุโบสถวัดมุตระแล้ว กราบกันทันทีเชีต้มกราบก่อนไอเดียกไม่ใช่ยกมือไหวอย่างนี้ต้มกราบเลยกราบกันแล้วพวกนี้ศรัทธาขนาดที่ว่าจะมาเดินทางมาอินเดียมาว่าพุทธคยานี่นะสามก้าวกราบทีสามก้าวกราบฝนอยากจะเดินทางนึกพุทธคยาบางคนต่อเข้าไปสิบปีสามก้าวกราบทีนึงแล้วไม่จะได้สิบปีทนไหวเหรอกศรัทธาขนาดนี้พอมาถึงพุทธคยาแล้วหมดสิ่งสิ้นฤปดาตัวมีแต่ผ้าขาดนุ่ขอทางเขกจริง ระหว่างทางไม่ต้องทํอาหารกินนี่เงินทองที่ห่าสาวเขามาซือกินหมดการเปขอผ่านไปเลยแต่ว่าเขาศรัทธาศรัทธาสิกขาจริงๆพูกนี้ศรัทธาสิกะมากถึงถ้ามาตายในระหว่างทางเขาถือว่าเขาได้สู่สุคติแล้วเขาไม่กลัวท่าไม่กลัวตกความตายเพราะนั้นท่ามีเคยไปอินเดียน่ะไปเห็นพวกที่เด็เนื้อตัวมันนบางทีบางคนผมเผายุ่งเหยิงเข้าใกล้ก็เหม็นสาดอย่าไปดูถูกเขาน้ําใจเขาประเสริฐเลิศเลิศแรงพวกนี้บางคนเป็นคนรวยนะ แต่อุตสาห์เสียสละเดินทางมาไหว้พุทธคยาโดยวิธีที่ผมว่าเนี่ยสามเกา้ากราบผลหนึ่งสามเก้ากราบผลหนึ่งเนี่ยเดินทางมาด้วยความศรัทธานเนี่ยหมดเมื่อประดาตัวจริงๆนะมาถึงการคนจนแต่เขาไก่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมอมเพาะเขาตั้งต้นทำมหาจินใหม่ในอินเดียรับจ้างเป็นกำ ม, กรรมังกรบ้างรับจ้างอะไรทํางานทุกอย่างอุตสมเงินทองก็เดินทางกลับมาเป็นภูมิปัญญาหรือก็มีเนี่ยไปอย่างนี้พุทธศาสนาที่แพร่หลายกับมาเลทิเบตนะ่ะ แค่ล้านละลาพศ 1,200 ที่จะสนับสนุนให้ขับาถที่เบสแค่ข้าไปสังทางคือจากจีนทางหนึ่งจากกระเทศเมีานาทางหนึ่งในสมัยพศ 1,200 นั้นม 1, นนนีกษัตริย์เบสองหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าก ร, รองตะสันคำปโปจนมีมาเหสีสองพระองค์เป็นเจ้าหญิงจีนองหนึ่งเป็นเจ้าหญิงเมีานมาองหนึ่งที่เป็นเจ้าหญิงจีนน่ะมีพันนามว่าเจ้าหญิงบุมเส้นตรุตู้อ่าเป็ราชธิดาของกษัตริย์ราชวงศ์ขัง ของมึงจริงเอ่อตัวหญิงมุ่งเส้นกลมโตนี่เป็นอุบาสิกาที่เคร่งขัดในพทะศาสนาเมื่อมาอภิเสกสมรสจับกระสับทิเบตท่านนองก็เดบพาอภิธรรมคมภีร์จับพระวรูปเป็นพระองค์ไปด้วยุทธม่หัวีกองหนึ่งนั้นเป็นเจ้าญิงในปาลก็เป็นอุบาสิกาเคร่งขัดในพระศาสนาเหมือนกันชื่อว่าเจ้าหญิงพระฤกุฎีเทวีเป็นราชธิดาของพระเจ้าอัมสุวรมันแห่งในปาล ก็เจ้าสร้างประสาคําโตได้มาหื้สีซ้ายขาที่เป็นชาพุทธิขึ่งคัดอย่างนี้พระองค์จึงถูกไปหื้อสีกลมก่าอัชจฉสัยให้มานับถือพุทธศาสนาเวลานั้นนะชาวทิเบตนะโหดไล่ามากถึงกับกินเนื้อคนเป็นอาหารนะ่ะเวลาลบกับศัตรูมาได้นะ่ะต้องการข่มขวัญศัตรูกินเนื้อมนุษย์หลังจากรับถือพุทธศาสนาแล้วไอ้ความโอดไล่นี่ก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นชาติที่มีความเมตตากรุณาขึ้นมา พระเจ้าคุณองค์สันคําโพธดได้ส่งทูตชื่อว่าธนมิสัมพ o o เดินทางมาอินเดียศึกษาพุทธศาสนาอัญเชิญมาทำคำฟรีภาษาสุสติจัดตาและธนมิสัมพ ooth นี่แหละเป็นผู้บัญญัติตัวอักษรทีเบิดขึ้นโดยอาศัยตัวเทวนาครีของอินเดียเป็นประทัดฐานเพราะฉนั้นนังคีที่เดือยทะเลลีนก็ออกเสียงว่าจักะคัคขะจากะชัชยญาปากระชัตมะเหมือนกันเพราะว่าได้แบบแผนมาจากภาษาสุสติในสมัยนี้เดินทางออกไปถ่ายทอดึ้นมา หลังจากพระเจ้าสรางประสพคำภูแลในนันเจ้สมัยพระเจ้าที่รองเดบสันก็สถิติอีกอง์หนึ่งเข้าไปมีมนคณาจารย์หจากอินเดียเข้ามาเฮ้ยแผ่พุทธศาสนาคือไปมีมนท่านอาชื่อว่าสันตรัสติอาจารย์สันตรัสติซึ่งเป็นคณาจารย์ที่ศาสนาสายมหายานในอินเดียเดินทางมาเผยแพร่พุทศาสนาในอิเบต เมื่อมาถึงคุนเทศจะเป็นแกสมุนไพรบไม่มีคนฟังคนที่เดบตฟังไม่เข้าใจเพรามันยากที่เบิดนำมีศาสนาเ ด, ดิมคือดึงศาสนาพ่อมดแน่มดเหล็กดันอาคมขังเขาต้องขูาา่เขาอยู่แล้วจะมาเทศนาหลักธรรมลึกซึ้งฟังไม่เข้าใจสันตระเกตจึงแนะนําพระเจ้าสุสรางเบิดสันว่ามีทางเดียวจะปูพื้นชาวทิเบตที่เข้าใจศาสนาบ่ต้องเอาเวิมนช่วยเอาพระทิเบตมนมาช่วย มันเป็นกุศโรบายที่จะชักจุงชาวทิเบตให้เข้าถึงการทำเพราะฉะนั้นทางที่ดึนใหยเบนีม์อาจารย์เวทมนองค์หนึ่งมาอินเดียเป็นอาจารย์นักพุทธศาสนาเป็นลุงพ่อขันที่มีชื่อในพุสศาสนาพวกนั้นเนือชื่อว่าปัตมะสัมภะว่าเดินทางมาท่านปัมาสัมภะว่าไปเดินทางมาถึงสดงนิเดตใหญ่ดิเดตไ่ทายแสดงออกบทเวทมนขัแไหนเอาชนะพวกข้าในมตในทเดตหมด ชาวที่เดือกก็เลืมไงใสชอบความขลังท่านครูคปัตมะสมะะัมภะตั้งออตั้งใจตั้งทำสั่งสอนเลยเคย่อยๆเล่าเรียนศึกษาถ้าท่านสา ม, มารถตั้งข้ออุปสมบทบวชขึ้นนี่วัดในทิเบตจริงจะมีพิธิอุปสมบทกรรมขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นต่อมาในสมัยพระเจ้าวลางท่านเป็นพนราะเบียดเบียนพุทธศาสนากาจัดพาาุทธศาสนาทำลายวัดบางรามต่างๆ แต่พระเจ้าลางทันก็มีพระชนจั้ไม่ช้าก็ถูกฆ่าศึกแทนพระองค์สิ้นชนศา ส, สนาพุทธในที่เดียก็พ้นจากนิกิตการพระเจ้าเทวีงองค์ใหม่ก็พยายามพื้นฟูศา ส, สนาสิ้นใหม่ได้โดยมีมนอาจารย์มีชื่อจากมหาวิทยาลันาลันทาจากวินโมนีลาในอินเดียคือคณะาจารย์อธิษฐ์ทีปังกระเดินทางมาพื้นฟูศักดิ์พพุทธทีเบลดท่านผู้นี้เดินทางเข้ามาถึง ก็เดินมาตั้งงานแปลถ้าคมภีต่างๆเป็นภาษาทิเบตแล้วก็เดินขึ้นสู่การปฏิบัติพิธีนาในที่เบตที่ขึ้นคัดขึ้นนิกายพุทธศาสนาในทิเบตน่ะโดยมีกายใหญ่แล้วมีสีนิกายอาศัยสิ่งของหลวงเป็นทัลักษณ์คือข้อทิเบตต้องสวมหมวกนะไม่สวมหมวกอยู่ไม่ได้นะมึงหนาวนะไม่สวมหมวกก็ตายเราอยู่ไม่ได้เวลาหน้าหนาวหมวกเป็นหมวกยาวเป็นโหบดยาวเป็นปัต้องสวมทำโดยสักลาดะให้ความอบอุ่นทางศีรษะ มีกายหมวกแดงมีกายหมวกเหลืองมีกายหมวกขาวมีกายหมวกดำแดงเหลืองดำขาวตีหองหมวกเป็นสัญลักษณ์สีนี่กายนี้มีกายหมวกเหลืองขึ้นที่สุดนีการหมวกเหลืองเนี่ยพระต้องถือธรหมจรรย์ปฏิโมกต้องลงทุกกลุ่มเดือนสุปฏิโมกทุกกลุ่มเดือนเหมือนกันต้องมีอุโบสถทางกรรมมีการตวารณาจำพรรษาอะไรต่างๆเหมือนหลวงพระเทพราไม่มีผิดมีกายหมวกเหลือ ง, อ ง, อนองเนี่ย รัฐบาลรัฐบาลที่เดชเป็นพระในมีกายหมวกเหลืองส่วนนี้กายหมวกดดงนั้นอ่ะออกจะเราไม่ถือเป็นพระหรอกเพราะเขามีเมียได้มีลูกมีเต้าจะาอาว่าสก็มีลูกเมียลูกเต้าก็สืบสกุลมันเป็นหนึงเจ้าอาวาต่อๆกันเนี่เราถือ่าเป็นอุบาสกอนุสาวรนอาจารย์นี่เราถือกันมากงั้นนิกายหมวกดําไม่ศึกษาคำทีเลยเอาทังขังอย่างเดียวเอาทังขังศึกษาแต่เรื่องขังเป็นเป็นอาจารย์ขังอย่างเดียวเรือื่นไม่เอานิกายหมวกดํานี่กายหมวกขาว เค่งเหมือกันแต่ก็ยังย่อหย่ยอนนิการหมวกเหลืองไม่ได้อ่าจำนวนวัดนิการหมวกเหลืองน่ะมีมากที่สุดในทิเบตเพาเป็นนิการทางราชการมีอำนาจทางราชการอยู่แล้วก็ายาลายลามะพุทธกัจจานเป็นพระในในิการหมวกเหลืองนี้การครองจีวรของทิเบตนั้นน่ะทิเบตนุ่งสะบงคล้ายๆจะโปร่งมาช่งยมาจีสบสะบงทิเบตเป็นจีบกรีบกรีบถ้าอยู่ดูคล้าๆยๆเกร์็โปรงใหญ่ๆเนี่ย ทับในผ้าสักก า, าดแล้วก็สวมเสือ้อถ้าไม่สวมเสือ้อทนไม่ไหวแล้วเอากีวรปมทับอีกทีหนึ่งกีวรไม่ใช่จีวลสักก า, าดะเท่นั้นเพราใช้สักการะหมดไม่ใช้สั ก, การาระทนทนไม่ได้เนี่สีกีวารก็เป็นสีเหลืองกับสีแดงหมุนๆเป็นแดงแบบแดงอย่างสีพระกรรมฐ า, านเราเนี่ยแดงจี่วเหลืองสีแบบนี้ปมทับอยู่ข้างนอกอีกทีนี่ไม่ใช่เบิกไม่มีการินฉบาท เขาไม่บาบได้หนาอย่งน้นจะมีฉาบใครจะมาสาเชาๆไม่มีไมนมีการมีบาเพราะฉะนั้นตั้งโรงครัวในวัดตั้งโครัวรงครัวในวัดมันชมันชิงย่อยงั้นอย่างวัดเลยปูงพระตั้งแต่พันจะเรียงพระตั้งแต่พันไม่ใช่ย่อยนะนี่เช่าๆตีสีตีระคังเย่างงาลงโบสถสวดมนต์หนาจะตากันนอนสบายตีระคังเย่างงางมาว่าลงโบสสวดมนต์แล้วโบสถ์นจะม้าระยะทางจากคณะใหม่คณะต่งห้าิโลไม่ใช่เดินไม่ใช่ง่ายๆเดินทางมา เพราะนั้นไม่ได้อุโบสถใดเป็นอุโบสถกลางถูกแล้วฉันมาทำพิธีวีสาขะกัรมกตกรรมอย่างใหญ่ๆถึงมาประชุมทําพร้อมกันแต่ละคณะมีโบสถ์ของตัวเองทำใมีโบสถ์ตัวเองมาเยอที่เดินมาหากิโลเราจะมาโบสถ์ใหญ่อ่ะวัดพระศุเไี้ยเดินมาหากิโลนี่มาเจอโบสถ์ใหญ่เข้าก็เยอะเ่านั้นเองเดินมาถ้าส่วนบนจบไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคณะคณะมีต้องร้ร้อคณะในวัดนั้นแต่ละคณะก็มีโบสถ์ของตัวเอง คล้ายๆสลาสวดมนต์ของเราตามาาวัดเกา่าๆตามมันนอกเนี่ยมีในวัดในกรุงเทพก็มีวัดเก่าๆแต่ละคณะก็มีสลาสำหรับประจาําคณะทำพิธีสวดมนต์เรี่ยงพระอยู่ในสลานั้นไม่ต้องไปทำํำในวิหารหย่างเป็นส่วนรวมไม่ต้องในที่เบสถ์ ก, ก็ทำรูปนั่นแหละมีโบสถ์แต่ละคณะเป็นประจําพระเหล่านี้พอเข้าหน้าประจําที่แล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่าทดน้ําชาร้อนๆก่อนมันหนาวมีเนยลูกศิ ุ้มน้ำชามายิ่หม้อใหญ่ๆเดือดข้างจนน้ำชาหนึ่งจะมารีกนมอ่ะตักไสตักชายพระก็ต้องเตรียมเอาจานไม้มาใส่ในสบงมาด้วยนะทุกคนบางมาบีบไปคนละใบามาถึงก็ยื่นจานไม้ออกเจ้าหน้าที่ขาตักใสตักไส่ท่านก็เซาะไปสวดมนต์ไปเซาะไปสวดมนต์ไปสวดมนต์จบแล้วก็คราวนี้เป็นแรีห้าอยากได้ทำไปนอนต่อใครอยากทำไปนอนก็มีมนต์นอนต่อเถอะ นอนจะสั่งถึง8ดโมเช้าเงงงานเงงงานย่ำกลองย่ำค้องอีกแล้วนิมนต์คุณมาฉันอาหารพระทหารเช้าบูชานิมนต์ใครถ้าใครไม่อยากจะกินของกลางของตัวเองยากเดิมทางบ้านลารวยเขาส่งอุปถาเขาส่งเสียถึงก็มันจะเป็นต้องไปนิมนต์กินหมูข้าหรอกนั่งกินมันในมุตินั่แหละบางทีมั่งกินนเตียงน่หละนก่งเกื้อผืนที่กินละไม่หะพอเ้ามเช้าลงโบสอีกแล้วขยสมุดที่สุดวันนึงก้าโมงชสิมอีกแล้ว พอสวดมนต์เสร็จพักสครู่นี้งเมื่อเช้าก่อนฉันเพนพอฉันเพนเสร็จคราวนี้เรื่องใครตัวใครตัวมันจะไปศึกษาวิชาการต่างๆเข้าริ้นในหลักปริญญาต่อว่ากันเรื่องตามเรื่องพอตกขั้นทุ่มลุ้งทำวัดข่าวสวดมนต์พอสามทุ่มเอาอีกแล้วสวดอีกแล้วพอาสามทุ่มเพิ่มเพมไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วแต่หมดกิจวัตวรแต่วันนี่ว่ากันคร่าวๆนี่โลกเราเราคิดว่ากันคร่าวๆเพราะฉะนั้น ในที่เบิดชนี่ถ้าจะพูดแล้วก็เป็นพุท ธ, ธรรนาครจริงๆนี่นี่เหตุการณ์ที่ผมประมูลเล่ามานี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าสางครามโลกครั้งที่สองนะไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้อาวันนี้ก็เห็นจะเรื่องพุทธศาสนาในที่เดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอสุควรแก่เวลาก็าทำโดยทองคำได้เชื่ออย่างไรว่าเป็นจริงกองในที่เบิดชน่แะแหลคทองมีมากครับแร่เพชรแร่ทองมีมากทรัพย์ดินมีมากเหลือเกิน ราชบัลลังขุดขึ้นมาเช้ก็นม้มจะทําอะไรลงหนังลงละครก็ไม่มีรถเก๋งรถยนต์ที่จะให้อีกเอาเงินทองไปซื้อใช้ก็ไม่มีไอ้จอมขึ้นจะส็งเสียหลูกไปเรื่อมึงน่า ก, ก็ไม่มีพอนนั้นทุกคนม้าอยู่แล้ ว, ลวก็เอาเงินเหล่านี้ถวายวัดเอาทองเหล่านี้ถวายวัดทำบุญเพราะเรื่อวัดที่เดือดจริงวัดเลยก่อทุกวัดในโลกจึงมีอุทองขับอุดมสมบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้ครับให้อุปนิสยัยอัธยาสายัย ว่าเป็นไวยพนสต่นกันละกันนั้นมีที่มาจากไหนเคยอ่านหนังสือมาต่างก็อธิบายไปคนละอย่างนิสัยก็อุปนิสัยเหมือนกันครับอย่างคําว่านิสยะปฏิโยปนิสยะปฏิโยพระอภิษารฐานท่อนก็แต่ว่าความกระชั้นคิดถีเข้าไปใกล้อีกนั่นแหละในอุปปาอุปปาในอัดว่ากระชั้นคิดหรืออัตว่าตวนเนี่ต้องการย่ำในคำว่านี่คือมันรัดกุมเข้าไปอีกจริงแช่คําว่าอุปนิสัยต้ำจริงก็คือนิสัยนี่แหละ ส่วนอัทยาสัยนั้นน่ะก็มาจากค า, าอัช่าสายัยไปตามไปว่าสันดานสิ่งคือสิ่งที่ตัวอบรมมาจนเคยชินจนแนบแน่นแล้วนี่เป็นอตนลอาช่าสายก็ใกล้เคียงกับคำอุปนิสยัยอีกอุปนิสยัยทัศน์ว่าแล้วมาถึงสอ่ออาการที่ส่อออกมาเป็อุปนิสยัยอาช่าสายและอัทยาสายนั่นเป็นอาการที่ยังไม่ส่อนี่เป็นอัทยาศัยทางนั้นทางนี้ก็อันเดียวกันนะครับถ้าจะถามว่ามีมาหนังสืออะไรเป็นหลักฐานก็ไม่มีนะครับ้องนอกจากอ้าง ในประธานที่สันแก่คำออกนิสยะปัติย و, ปุปนิสยะปัติยุข้นแปลว่าโดยอ่านก็เหมือนกันแต่ที่จะต้องการให้มันคันคิดด้วยมันรัดพมจึงใช้คำออกปนิสยะโตเข้าไปอีกเท่นั้นเองข้อสามถามแบบว่าหลังจากปลายรามะบรารณะแล้วจะต้องไปหาเด็กใหม่นั้นจะไม่ขัดกับหลักธรรมหรือจะไปขัดยังไงขัดจะยังไงล่ะครับก็ทันเกิดใหม่นี่ปฏิสนธิที่คิดทั้ทองลายรามะเนี่ยหลังจากสติแล้วอันันรรตราปัารเป็นปฏิสนธิเข้าคันมารดาทัานทีเที่ยวไม่ขัดกันเลย แล้วเกิดใหม่สิไม่แปลกเลยนี่ครับนี่ไม่ขาดกันเลยอันนี้ท่น้นในพระตรปิฎกหรืออัตรกราหรือเปล่าที่ยอมไม่พระต้องอาบัดิสังฆาธิเศสเข้าธรรมสังฆกรรมเป็นองค์ที่ครบสงฆ์ตามวัดวัดเ น, น้นๆองค์ที่สี่ห้าสิบและยี่สิบเพราะถ้าเป็นผู้เลยองค์แห่งสงฆ์นั้นเข้าสังฆกรรมได้ไม่สงสยัยสงสัยที่เป็นองค์ครบแห่งรัก อาคําว่าองค์ครบแห่งวัชชนเลยที่นี่น่ะคําว่าสูงจริงๆแล้วองค์ถูกแล้วมูนะฮะตั้งแต่สี่ขึ้นไปคราวนี้อย่างในในข้อนี้ผมยกยกตัวอย่างว่าอุปสมบทคนเถอะถ้าสมมุติว่าอุปชาเป็นประาชิกอย่าเราพึ่งนาทีเสร็จเลว่าประาชิกเถอะแต่ว่าสงค์ครบองค์สมมติว่าสิบเจ้าขึ้นไปละแต่อุปชาเป็นปราชิกนั่งบวชกุลบุตรกุลบุตรนั้นเป็นพระไห้ถามอย่างนี้เป็น เพราะการเป็นพระนั้นนะไม่สมําเร็จจากอุปชาสําเร็จจากดัติของสงฆ์นี่แน่นหมายจะว่าสงฆ์ที่เหนนั้นจะต้องเป็นตาชิกนะแต่ถ้าสงฆ์ในจำนวนศิษย์รูปนั้นเป็นตาชิกหมดทุกรูปมันก็ไม่เป็นเยสยมันขาดความเป็นพระแล้วก็ไม่เป็นนี่ว่าเฉพาะองค์หนึ่งในจํานวนศิษย์นจำนวนหนึ่งเป็นตาชิกเสียอีกเก้าไม่เป็นบวชคนดัตชนดัติขึ้นเป็นพระนะก็มีกระหมนกันนะครับ เพราะฉนั้นคำนี้ไม่ใช่หมถึงสามชื่อแล้วครับความจริงก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าเรียกเขาคนละภาษาเนี่นเองอะ่ะอย่างจินนี่ว่าเกายงนี้เป็นต้อนอย่างนี้ล้วท่านก็คงจะม่สงสัยว่าทํามถึงอีกนี่ชื่อเรียกาเกาไอ้เกาเนี่ยเขาเป็นคำจีนนั่นเองมันจะเป็นคำไหนเลยเถามบอกว่าพระอุโบสถหลังแรกในพุทธศาสนาอยู่ไหนสร้างเมื่อไรไม่รูอ่ะคำว่าพระอุโบสถหลังแรกในพุทธศาสนาพรสมัยพุทธกาลนั้นการําอุโบสถไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่จำเป็นว่า จะต้องตั้งโบสถ์อย่างยวนี้มาทำํำคนกำหนดเอาต้นไม้เป็นสีมากระไดเอาก้อนหินเป็นสีมาก็ไดเอาคามเป็นสีมาก็ไ ด, เอ า, า เ, ไดเอาหน้าเป็นสีมากระไดแล้วแต่กามสนุกว่าทีไห น, นมีอะไรสมมยตนนั้นเป็นตานีิวัดก็คือตาถ้าอยู่ตาจะมีหลังคามุงก็เฉพาะที่เป็นตัท้าคามในโรงปชุมสําหรับหลุดในฤดูฝนจะดันทําให้กับประชาชนฟังมีอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีรอนคือเรือนคันตะกดีเรืนอ น, นเล็กๆอยู่บ้างห้ำมียากเป็นครูหาบ้าง เพนั้นภาพในการทำโบรสต์นั้นจึงไม่บรรยามันจะต้องมีอยู่ที่ไหนแน่นอนไปหลังแรกอันนี้กําหนดไป่ไดนะครับเลขที่สองรอยหถามมาว่าการฝ่าสนามอิิเบศหลังจีนคอมมิวนิสต์ยึดครองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและที่ว่าพระลายลายตะลายลามะองค์ปัจจุบันโกิดในดินแดนจีนสงสัยว่าองค์ละลายลามะเป็นเชื้อชาติจีนหรือเปล่าและท่านหนีมาอยู่ที่อินเดียนั้นรัฐบาลอินเดียให้คารคุ้มครองให้ความเป็นอยู่ฐานะอย่างไร เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ผมไม่อยากต่อเพราะเป็นเรื่องการเมืองท่านคงสดับรับฟังจากนวุิภิวิทยุพอสมควรแล้วคงจะรู้บ้างหรอกว่าปัจจุบันเปนอย่างไรก็เราม่าหนีมาอยู่นี่ท่านอยู่ไม่ได้ละท่านอยู่ว่าอินเดียละมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างที่ว่าท่านอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ม า, มาอยู่อินเดียนะครับท่าก็อ่านจารนวุฒิภิคงจะรู้แล้วราม่าอันนี้มันจะเชื่ชาติจีนพ่อแม่บรรพบุรุษเป็นทิเบต แต่เป็นทิเบที่ อ, อพยพเข้าไปทามาหากินอยู่ในโคลมันแดนระหว่างแดนแต่อแดนกินกับอินเดียไอ้กินกับทิเบตเมื่อท่านมาอยู่ในอินเดียนั่นอยู่ในฐานะเป็นขอผู้มีเกียรติสูงสุดของมัฐบาลอินเดียรัฐบาลอินเดียเป็นความยกย่องเป็นตําหนึ่งประมุขทางศาสนาให้การยกย่องขนาดอุทิศบ้านมิสซูรีบ้านที่มิสซูรีมร่มัตซรีไม่ใช่มิสซูรี่รียว่าบ้านในมัตซูรี บ้านนี้คือเป็นที่อยู่ของมหมาสมะคันธีมาก่อนให้กัลยามม์ประทับอยู่ตลอดการแล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งขา้าราชการมาเป็นผู้เชื่อมาเป็นหัตถเล็กของท่งานกัลยามม์ครบตามองค์จติตยศทุกอย่างเขายกย่องมากครับต่อภาพไปก่อนอวันหน้าวันคาวหน้าจะมาพูดถึงพุทธศาสนาในประเทศจีนต่อไปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ